ก่อนที่หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังหลวงพ่อจะขอประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบคือวัดป่านาคำน้อยอาําเภอนายยงจังวัดุดอนธานีแห่งนี้นะได้กำหนดทำบุญประจำปีไว้ทำมาหลายปีแล้วนะการทำบุญนี่ก็เป็นการทำบุญอุทิศสวนกุศล ถึงเปรตญาตทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ได้มาร่วมสร้างวัดป่านาคาน้อยแห่งนี้ตลอดถึงญาติผู้ที่มาร่วมสร้างบุญกุศลตลอดถึงดวงวิญญาณทุกวิญญาณที่ล่องลอยอยู่พวกเราก็มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วสนกุศลแต่พร้อมกันก็ เ, เพื่อน้อมลำเล็กถึงคุณแม่ชี้แก้วเสียงล้ำนะคุณแม่ แก้วที่พินที่เคารพนับถือของหลวงพ่อท่านหนึ่งก็ยกท่านเป็นประเด็นหลักจากนั้นก็ทำบุญที่สวนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่ก็โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่ก็ลงรับไปหลวงพ่ก็คงจะมาประมวลทำบุญในวันนั้นเหมือนกันถ้าจะทำบุญคนนั้นบั่งคนนี้บั่งก็คงจะเป็นหลายวัน หลายคนหลายครั้งหลายคราววัะนั้นหลวงพ่อเองก็รวมทั้งญาติพี่นอ้องพ่อแม่ของหลวงพ่อเองมาทําบุญในวันนั้นเหมือนกันวันนั้นจะมีการนิมนต์นิมนต์ครูบาอาจารย์มารับทานมารับทายาทานแต่ในครั้งนี้ที่หลวงพ่อจัดงานครั้งนี้เลยว่ามีงานในครั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์เล ใครถ้าว่าบอกหมู่พวกเปินเออองคไรยักจะมากมาเด้อ ว, วันเกิดของผมนะเมื่วันเกิดของหลวงพอว่อเด้ออ่ามีแต่บอกประกาศเปล่าอย่างนั้นแต่ในครั้งที่จะทำในครั้งต่อไปในหลวงพ่อจะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเพื่อบาเพ็ญกุศลของพวกเรานะหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังหมายกำหนดการนี่นะมัดปานาคำน้อยอำเภอนา ย, ยูงจังหวัดอุดอรธานีกาหนดทาบุญประจาปี2548 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําครบรอบวันละสังขารบําเพ็ญกุศลอุทิศแด่ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้ร่วมสร้างวัดป่านาคำน้อยทุกรูปทุกท่านคพาว่าทุกรูปก็คือมีพร ะ, ะก็มีนะที่ท่านจากไปนะพร้อมเปายแต่ญาติผู้ร่วงลับไปแล้วท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เจริญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรม ในการบำเพ็ญบุญกุศลครั้งนี้วันเสาร์ที่18มิถุนายน2548ณศาลาเนกประสงค์เวลา 6.30 นพระสงฆ์สัมมาเนบินทบาทเวลา 7.30 นถวายพัฒาหานจตุ ป, ปัจจัยไทยทานวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2448ณศาลาเนกประสงค์เวลา 9.30 นลงนามในสัญญาสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วนะ อันนี้ก็คือประกาศให้ญาติโยมรับรูรับทบวันที่18นะตรงกับวันเสาร์วันเสาร์มิถุนายนอีกเดือนกว่าๆถ้าวัดญาติโยมท่านผู้ใดพร้อมก็มาร่วมกันทําบุญในวันนั้นนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนั้นยกคุณแม่เป็นประเด็นหลักและก็พร้อมกันปีนี้ ค, คิดว่าจะมีการเซ็นสัญญา สร้างเจดียด์ของคุณแม่นะการเซ็นสัญญาสร้างเจดียด์ของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเป็นประเด็นเป็นผู้ริเริ่มแล้วไปเป็นผู้จัด ก, การคือการสร้างเจดียด์ในครั้งนี้มีเจ้าภาพมีศรัทธาแล้วก็คณะของรถไฟเป็นสถาปนิกเป็นวิศวะเป็นผู้ควบคุมงานสร้างเจดีย์หลวงพ่อเนี่ยอยู่นอกประเด็นนะไม่ได้เข้าไปอยู่ในประเด็น หลวงพ่ อ, อก็ว่าถ้าพวกเราอยากจะได้บุญได้กุศลก็เอ้าสร้างสิ เ, เจดีย์ของคุณแม่กระดูกของคุณแม่อธิธาตของคุณแม่เป็นพระธาตุเด้เ อ, อยากจะเห็นก็ไปดูสิวัดปาแก้วจุมพลแล้วก็มีหลายๆคนกระดูกของคุณแม่เป็นเม็ดกลมนะเหมือนกับแก้วนะ เ, เพราะนั้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะเป็นกระดูกเป็นพระธาตุได้คุณแม่ชี้แก้วเนี่ยท่านบวชมา นมนานแ้วก็เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวก็ยืนยันอีกว่าไปเล่าเรื่องจิตภาวนาให้หลวงตามหาบัวฟังหลวงตามหาบัวท่านก็รับรองว่าแม่ชีแก้วเป็นยังไงเราเป็นอย่างไงเราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นอย่งงังไงในความบริสุทธิ์ทางด้าน จ, จิตใจหลวงตารับรองถึงขนาดนั้นละ่ะ พอนั้นพอคุณแม่ล่วงลับไปกระดูกของท่านก็เป็นพระาธาตุจริงๆให้เห็นพอนั้นหลวงพ่อก็บอกญาติโยมถ้าใครอยากจะทําบุญอยากจะสร้างเจดีย์กับคุณแม่ก็สร้างได้แต่หลวงพ่อนี่อยู่ประเด็นอยู่หลังๆแบบ ง, งั้นเถอะอนนี้นนก็กำลังจะเซ็นสัญญากันที่จะสร้างนะ่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นต้นเป็นตอแบบนั้นเถอะมีโยมทางกรุงเทพเป็นเจ้าภาพ แล้วก็มีโยมคณะรถไฟเป็นวิศวกรรมเป็นสถปาปนิกเป็นผู้ดูแลควบคุมงานหลวงพ่อเนี่ยไปว่ามีแต่เดินดูๆเท่านั้นเองว่า ง, งั้นเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมผู้ใดอยากจะทำบุญร่วมก็ไม่ขัดข้องนะแล้วก็อีกอย่างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยทั้งฝ่ายผู้หญิงนี่ยังไม่เคยมีที่จะสร้างเจดีย์ขึ้นมา เป็นเจดีขึ้นมาสําหรับเทิดทูนบูชาฝ่ายอุบาสิกาเนี่ยไม่มีมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่สร้างขึ้นมาอย่างผู้หญิงนี่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นการเชิดชเูเกียรติคุณของเพศหญิงเหมือนกันเถ อ, เอะนี่ว่าถ้าว่าผู้หญิงปฏิบัติธรรมก็สามารถที่เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ได้มีแต่ผู้ชายเท่านั้น ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันนางโคตมีนางปตาจารานางต่างเยอะแยะในพระไตรปิฎกที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้ท่านเหล่านั้นก็ได้เป็นพระอระหันต์เหมือนกับผู้ชายเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันกับผู้ชายไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงปฏิบัติแล้วไม่ได้สําเร็จไม่ใช่อย่างนั้น เ, เพราะฉะนั้นการสร้างเจดียด์ในครั้งนี้ก็เป็นการเทิดทุน บูชาให้เป็นตัวอย่างของผู้หญิงให้มีกำลังใจทางด้านผู้หญิงทางว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสามารถที่จะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะนั้นจึงได้มีเจดีนี้ขึ้นมาแต่งบเข้าข้า ว, าวประมาณสักทีก่กะกะกันไว้นะประมาณ14ล้านนะก็ไม่ใช่น้อยเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ใหญ่นะแต่ขององค์หลวงปู่ล่าที่สร้างบนหลังเขานั้นก็ใช้เงินไปประมาณ15ล้านกว่า อันนี้สร้างบนหลังเขานะค่าใช้จ่ายก็มีมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสร้างของคุณแม่เนี่ย14ล้านนี่ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็วัสดุมันที่จะมาสร้างมันก็ราคาขึ้นไปอีกถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คงจะเท่าๆกันดนะังนั้นอันหนึ่งลำเลียงขึ้นของค่าใช้จ่ายขึ้นเขาอันหนึ่งก็มาสร้างตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็คงจะไม่หนีกันเท่าไหร่อนี่ก็งบประมาณเท่านั้นละ่ะ แต่แค่ว่าเขาคงจะไม่หนักหนาหนักหนาไหมไม่หนักหนาแต่พอไหมถ้าจะว่าพอก็พอถ้าจะว่าไม่พอก็ไม่พอเพราะว่ามันทำงานประเภทไหนก็ตามถ้าสร้างลงไปแล้วมันจะให้อยู่กับที่น่ะคงจะไม่ละมันก็ต้องบานปลายพังเมื่อทางเสร็จแล้วก็ต้องมีกำแพงมันก็ต้องมีถนนมันต้องมีสิ่งประดับอะไรเข้าไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าจ ะ, จะสร้างเพียงแต่ เจดีโดดเดี่ยวเท่านั้นก็คงจะมีอะไรเข้าไปอีกเพราะนั้นที่จะต้องใช้จ่ายเกาต้องมีนะองนั้นนี่ก็เป็นการประกาศให้ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านให้รับรู้รับทราบเจดี JD ของคุณแม่คงจะมีแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเองเป็นผู้สร้างเพราะงั้นแต่หลวงพ่อนอยู่บ้างหลังอเห็นด้วยที่จะสร้างเจดีของคุณแม่ในครั้งนี้เห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยธรรมดาเห็นด้วยร้อยเป็นต์มา ถ้ามีมากกว่านั้นมีเปอร์เซนต์มากกว่านั้นก็พันเปอร์เหเก็เห็นด้วยทุกเปอร์เซนต์เหมือนกันเถอสมควรที่จะสร้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบนะก็คงจะเดือนมิถุนายนนั่นแหะแต่ว่าทําบุญประจําปีปีนี้ก็วันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วเนอะวันที่สิบแปดตรงกับวันเสาร์พอดีปีนี้แต่ว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์ หลวงพ่อก็อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบบางวันที่สิบห้าบงถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็ขยับไปขยับมานะมีแต่หลวงพ่อเนี่ยวันเกิดหลวงพ่อวันที่27ไม่ขยับไม่ได้เขาว่าขยับไม่หลวงพ่อเฮ้ยขยับไปทำไมว่าวันเกิดวันไหนกับวันนั้นละละวะหลวงพ่อเหมือนเขาจะขยับวันเกิดหลวงพ่ออยู่นะแต่หลวงพ่อไม่ให้ขยับเหมือนกันเขาจะขยับไปหาวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนกันเออ่าเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ให้ขยับเอ วันไหนก็วันนั้นจัดทายญาติโยมมาได้ก็ได้เพรอหลวงพ่อไม่ได้จัดงานวันเกิดนะอันนี้คือประกาศให้ญาติโยมรับทราบนะ้เรื่องคุณแม่ชีแก้วถ้าผู้ใดพร้อมในวันนั้นก็รวมกันทําบุญได้นะมีอะไรอี้ไตมแนี่ต่อไปนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนะทีนี้นะขณะที่หลวงพ่อพูดใครมีโทรศัพท์ปิดไว้นะอย่าให้มันเสียงดัง แล้วก็พร้อมกันก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปมันแวบบมันเข้าสายตาเปรไปเลยอย่างที่หลวงตาพูดมันจริงอย่างที่ท่านพูดนะเพราะนั้นเรื่องใ้พระป่าเนี่ยหลวงพ่อพระป่าพระดงเนี่ยแสดงธรรมหรือพูดเนี่ยคยๆมันกำหนดออกมาจากใจมันไม่ใช่ออกมาจากตำราถ้าออกมาจากตำราพูดึ้นมาน่น อย่างว่า น, นโมตสาะพราะเาว่าโตถึงใครจะถ่ายรูปยังไงก็ไม่ลืม น, นโมตสาเพราะงั้นเถอะเพราะมันท่องมาได้แล้วแต่ที่ออกมาจา ก, กจิตใจนี่ต้องคิดซะก่อนพูดออกมาพูดออกมาพอมันเสียงแวบเข้ามามันแหววับเลยเลยเลยหลงทิศหลงทางไปเลยเลยเพราะฉะนั้นเสียสมาธิในการพูดเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ถ่ายรูปในขณะที่แสดงธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้รับฟูรับสาบถ้าว่าไปฝ่ายปริยัตท่านแล้ว จะถ่ายรูปท่างกบฏบาอะไรแต่กรรมาฐานโดยมากเลยอเอโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาเนี่ยท่านจะไม่ให้ถ่ายรูปกลงพ่อเหมือนกันอไม่ใช่อย่างอื่นขอร้องเลยว่างั้นถ้าถ่ายรูปในทุกสื่อมันเสียสมาธิในการพูด เ, เสียหมดพูดไปไม่ได้ว่างั้นะเว้นเสียแต่ว่าถ่ายแล้วไม่มีแว็บออกมาหนึ่งเออนั้นอีกอย่างหนึ่งน ะ, นะถ้ามีไฟแฟดออกมาเนี่ยตัวมากมันจะเป๋ไปนะตัวนั้น เวลามีเสียงคุยกันหนึ่งโทรล็อคสับหนึ่งขณะที่ฟังเทศนะลงตาท่านห้ามลบข้อก็เหมือนกันแนตะ่มีคนคุยกันขึ้นมามีเสียงเด็กอะไรรบกวนไม่ได้เพราะงั้นเสียสมาธิในการพูดแล้วหมดเลยเมันธรรมะมันไม่ออกออมันหดตบเข้าไปเลยทำมันเสียงวุ่นวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าว่าเสียงสงบเงียบนะธรรมะก็ออกเพราะเหตุไร เพราะว่าหลวงพ่อเองครูบาอาจารย์เองท่านอยู่ในที่สงัดซะก่อนเด้อยู่ในที่สงบสงัดนิ่งอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่องลําพังองค์เดียวเนียยังค่อยกลั่นกรองธรรมะในจิตในใจของท่านเพราะท่านธรรมะที่ท่านได้มาได้มาในที่สงบสงัดในที่สงบเงียบจากนั้นมาท่านก็เอาที่ท่านเอามาพูดก็คือให้มันสงบถ้าว่ามีเสียงวุ่นวายอกระทึกครึกโครมแล้ว ทำมาที่ท่านได้มาเลยจาักงบสงบงบเงียบวิ่งหนีหมดเลยงั้นเถอะพูดไม่ออกอ่าเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเวลาไปฟังเทศคูบาอาจารย์พระกรรมฐานให้เงียบให้สงบอ่าตั้ง อ, อกตั้งใจฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณานะเพราะนั้นหลวงพ่อก็จะได้พูดสัมมณียกถาให้พวกเราได้ฟังต่อไปวันนี้เป็นวัน สำคัญยิ่งวันหนึ่งสำหรับตัวหลวงพ่อเองคือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่27เมษายนสองพายเป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วเป็นวันครบรอบพิเศษคือครบรอบ60สปีครบ5บห้ารอบถ้าเป็นราชการก็ว่าเกษียณอายุ แต่เป็นพระสองฆ์องค์เจ้านี่ไม่มีวันเกษียณอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งงานหนักไปเรื่อยๆแต่ว่าวันที่27พสุบพนี้เป็นวันครบรอบห้ารอบของหลวงพ่ออายุห0สปีถึงนับว่าทางโลกถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันเกษียณอายุแต่ตามไม่จริงอายุของหลวงพ่อเนี่ย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 จะอยู่ไปอีกกี่ปีถ้า8ปสิปีก่อนรู้สึกว่าโดยมากก็จะนานไปโดยมาก75ดสบห้าปีถ้า75หปีหลวงพ่อก็จะอยู่เพียงอีกสิบห้าปีส5บห้าปีก็อยู่น้อยเดียวท่านเองเพราะนั้นวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อด้คิดทบทวนพิจรนารณาดูถ้าว่าท่านผู้ใดก็าตาม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 ทำให้จิตใจไม่กระเพื่อมทำให้จิตใจไม่เออก็ะเลอเฮามันจึงจะถูกเพราะเหตุไรหลวงพ่อจึงคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยความตายของเราเนี่ยมันไหลไปข้างหน้านเรื่อยเรื่อยหลวงพ่อถ้าว่าเป็นคิดเป็นหลักกิโลนะหลวงพ่อเข้ามา60สกิโลใช่ไหมหกสิกิโลแล้วหลวงพ่อเดินทางมาเพื่อจะไปสู่หลักปะหารประหารคือคำาหลักปะหารหลักที่80ดบใช่ไห หลวงพ่อเข้ามาถึง60ิแล้วจะมาสนุกสนานเลื่นเรลงบันเทิงเฮฮาเนี่ยมันไม่ถูกนะ เ, เพราะอีกเจ็ดสิบแปดสกิโลเมก็ใช่ อ, อถูกหลักประหานตนะ์ตายแหละ เ, เพราะฉะนั้นเราจะไปสนุกสนานใกล้หลักประหานต์ถาลายยิ่งสนุกสนา น, นมันไม่ถูกหลวงพ่อว่ามันต้องเตรียมตัวระมัดระวังเตรียมตัวด้วยความพร้อมว่าจวนที่จะหลักประหานเนี่ยเราพร้อมอะไอย่างใจเราพร้อมอรได้อย่าง ใจของเราปล่อยวางละอย่างปรงงละอย่างจิตของเราจิตใจของเราสงบนิ่งละอย่างแล้วก็บุญกุศลที่เราพร้อมที่เราสั่งสมมาเนี่พร้อมละอย่างสิ่งเหล่านี้มันต้องเตรียมพร้อมไว้ที่จะเดินไปสู่หลักนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบลืมตัวสนุกสนานเฮฮาพอไปถึงจุดนั้นก็ถูกประหารไปอันนั้นแปลว่า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 เศร้าซ้อยไปหมดเพราะไม่มีเงินและจะทํำยังไงคนไม่มีเงินไปเห็นถังขยะเขาไม่มีอันจะกินก็ไปเขี่ยถังขยะเขากินเลยสิเลไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารตรงกันข้ามกับคนมีเงินคนมีเงินเมื่อออกเดินทางไปต่างประเทศพอไปถึงน่นเอาเงินซื้อเลยเครื่องบินไม่ว่าจะเหมาเครื่องบินมังเงินซื้อเครื่องบินเลยเพราะมันมีเงินเนี่ยคนมีเงินมากเหมารถซื้อรถได้พอไปถึงปล่อยทิ้งมาเลยไม่เอาไม่อีกก็ได้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 มีหลายหลายทางที่เป็นทุนทางที่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําบุญเอาไว้ไม่ได้เตรียมเอาไว้เวลาถึงมรณะภัยเข้ามาถึงก็กลัวนะกลัวตายอย่างมากๆเพราะว่าไปข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะได้รับความสุขสนุกสบายอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่ถ้าว่าคนที่มีบุญ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 เพราใท่านได้สั่งสมบุญกุศลไม่เต็มเปี่ยมแล้วเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปที่ไหนก็นเรียรับความสะดวกสบายทั้งนั้นแหละอันนี้คือท่านผู้มีบุญท่านผู้เตรียมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนรอฟีซ่าของใครของเราอยู่ต้องได้เดินทางนะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งละ่ะทุกคนนะนับตั้งแต่หลวงพ่อหนะลวงพ่อกันนี่นะ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 มาร่วมในวันนี้แต่ถ้าว่าไม่มามาไม่ได้ได้กิจธุระหรือไม่ได้มาหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมดก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเนะ้ะผู้ที่มาแล้วก็ขอให้ได้บุญมากๆขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขหลวงพ่อก็มีแต่คิดอย่างนั้นเท่านั้นแต่ถ้ามาเจอกันก็ดีพอปีหนึ่งก็มาพบมาเจอกันมาเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้เห็นออกตนญาติโยมลุกสิทธิ์ลูกหา ดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่เห็นกันเลยนานๆไปก็ห่างเหินกันไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นผลดีแต่ถ้าว่ามาพบมาเจอกันปีหนึ่งอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งอย่างที่วันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ว่าเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับทั้งหลวงพ่อเองทั้งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มาพบมาเจอได้มาสนทนาปารบกันพวกเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อแก่ไปขนาดไหน ปีนี้ที่มาเจอมาเห็นมาพบเป็นไงสุขภาพหลวงพ่อดีไหมแหมอย่างเนี้ยพวกเราก็จะได้มารู้มาเห็นด้วยตาพวกเราเองแหมหลวงพ่อเองก็จะได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเออเป็นไงลูกศิษย์ลูกหานีย่ยังมีอยู่เนาะแหมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีเด้ออย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยนะศีลห้าเน้อออกตนญาติโยมเนะ้อทําคุณงามความดีเนะ้ออย่างเนี้ยพวกเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศเด้ออย่างเนี้ย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 ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ลํารวยโชคดีทุกๆคนผู้ที่มาก็ให้เนบุญได้กุศลมากๆและ ข, ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขภ า, าล ะ, ะล้ารวยโชคดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาเ่ยที่มาร่วมในวันเกิดของหลวงพ่อในครั้งนี้และพร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนญาติโยมทุกๆท่านเรื่องทานเรื่องศีล พวกเราก็พอจะรู้ที่นีเรื่องภาวนาแต่พวกเราจะห่างเหินไปเรื่องภาวนาเนี่โดยมากจะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่เรื่องภาวนานี่จิตตะภาวนา เ, นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธมาธมาม ก, กะพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งของลูกศิษย์ที่หลวงพ่อเองเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยหลวงพ่ออยากจะขอร้องหรือกล่าวตักเตือนให้พวกเรานั่งสมาธินะ การนั่งสมาธินี่แหละจะทำให้จิตใจของเราไม่กระเสือกกระสนไ ม, ไม่วุ่นวายไม่ว้าเวไม่อ่างว้างเงียบเหงาจิตใจมีหลักยึดถ้าคนมีจิตใจจิตใจมีหลักยึดแล้วมีแต่ความอุ่นอกอุ่นใจนะไม่ว้าเวไม่อ่างว้างไม่อ่างว้างเงียบเหงาแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกทางจิตใจเมื่ออายุเท่าแก่ชรลามาแล้วนะเราไม่มีที่ยึดที่เกาะนะ เราจะคิดถึงลูกถึงหลานผลี่สุดเลยเป็นเด็กไปท่นี่ใจของเราเป็นเด็กไปทั้งที่เราแก่ยินไม่มีหลักยึดคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดทั้งวันคิดทั้งคืนลูกหลานเขาก็มีธุระการงานเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องตัวเองก็มานั่งคิดว่าเขาเกียจเขาชังเราอย่างไงทาไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ได้คิดแต่ตามไม่จริงอันนั้นแปลว่าขาดหลักธรรมในจิตใจ เพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะขอร้องพวกเราทุกๆท่านอยางเดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปเออได้ยินหลวงพ่ออินท่านพูดแล้วท่านว่าให้ภาวนาเนะ้อเพื่อจะให้ใจของเรามีหลักออมีกฎมีเกณฑ์จิตใจของเราจะได้สงบเย็นเป็นสุขทดลองฝึกหัดดูนะไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วกลางคืนน่ะวันไหนสุบสง บ, สบให้ลูกหลานเขาหยุดดูโทรทัศน์ หยุดมีเสียงซะก่อนเพราะงั้นแต่ถ้าว่ามีเสียงอยู่นั่งภาวนาน่ยมันไม่เข้ากันกับเสียงเลยให้หยุดเขาหยุดโทรศัพท์ซะก่อนหยุดโทรทัศน์ซะก่อนแต่ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ถ้าจะนั่งภาวนาเนี่ยควรปิดเอาไว้หลวงพ่อว่านะไม่ควรจะเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนอปิดเอาไว้ซะในช่วงที่เรานั่งภาวนา2030ิามสิบนาทีามันไม่พอจะรวยเพราะโทรศัพท์หรอกถ้ามันรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วล่ะดับไว้ก่อนปิดไว้ก่อน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 จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะย่างย้อนขาก็ได้ถ้าว่าพอนั่งได้ก็นั่งกัดสมาด์นั่งสมาธิอย่างพระประธานนี่ยนะจากนั้นขาขวาทับข า, ข า, ข า, ขาซ้ายทํากายให้ตรงปนมมือขึ้นมาในระหว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงเราจะภาวนาบริกรรมเสียก่อนก็ได้ทําใจให้ว่างๆทําทใจให้สบายสบาย ข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขไบริกรรมในใจจากด้านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกล้วทีนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธถูแต่ถ้าหากว่ามันจิตใจมันยังออกไปอยู่มันยังนั้นอยู่เราก็บริกรรมขนาดทุกความคิดของเราในขณะที่เราคิดไง ช่วงช่วงที่เราคิดเอาคำวลีกรรมไปอยู่ที่หัวใจที่เราคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราแต่เราไม่ต้องออกปากนะให้บริกรรมในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นก็ได้นะคือไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อกี้แต่ให้ดึกอจะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวยังได้ทีนี้ถ้าว่าเรากําหนดลมกําหนดแล้วมันจับไม่ได้อ่าแต่ทายังไงหลวงพ่อมันจับไม่ได้เพราะมันไม่เห็นลมเน่ยเพราะเราไม่เคยกําหนด เราก็พยายามหายใจเข้าแรงๆนะหายใจเฟิ่อยแล้วก็หายใจออกแรงเฟืร์ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเอ่อชักสามสี่ห้าหเจ็ดปดครั้งนะเราก็พอจะรู้ได้แ ล, ลมกระทบที่ไหนลมกระทบที่ปลายจมูกเออแล้วก็หายใจผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนเข้าผ่อนเข้ า, ขาค่อยค่อย ค, อยคอยตามปกติหายใจปกติท่นี้เราก็จะรู้ได้เออหายใจ พอปกติลมกระทบที่ปลายจมูกหรือชานจมูกแอบจากนั้นเรากําหนดเอาสติจับอยู่ที่นั่นเท่นีนเ้เมื่อสติจับที่นั่นหายใจเข้าเราก็บริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกเราก็โธทําใจให้สบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงไม่ต้องเกร ง, ง, งกับลมนะไม่ใช่ชัดไม่ใช่แอบแต่งลมมันทไมท่ายไม่ถูกให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนกับลมหายใจเราเข้าหายใจออก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 เย็นสบายสบายเข้ามาเรื่อยๆจิตนิ่งเข้าสู่ความสงบระบาดเนี่ย เ, เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้เออใจของคนหนึ่ที่ว่าจิตสงบจิตสงบนี่ยเป็นอย่างนี้เองนะ เ, เราจะรู้ได้ด้วยตนเองทีนี้ความหมัน่นความขา ย, ยันก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงใครก็ตามปิน้นคิดปุงฟุ้งซ่านมันทุกข์เนี่ยเมื่อเราคิดมา้างๆมันทุกข์ไม่ใช่เลยจะปวดหัวเนี่จะเป็นไข้เครียดอีกต่างหาก ไม่เป็นกินอีกต่างหากเออมันหลายเรื่องหลายแถวเน่ยเวลาเราคิดมากๆนะท่นนี้เราคิดมากๆมันไม่เกิดประโยชน์ฟิ่งเข้ามาหากรมมฐาน น, นี่กรรมฐานพุโทโธเนี่ยปล่อยวางใจสบายสบายเนีเพราะนั้นเนี่ยว่าใจมีหลักเนีถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแกชราเราคิดว่ามันคิดปิดประโยชน์มันคิดไปอะไรเพื่ออะไรมันไม่เกิดประโยชน์คิดกระเท่านั้นน่ะพุทภาวนาดีกว่ามันก็เข้ามาหาหลักเนีพุโทโธพุโทโธ เมื่อพุโทโธแล้วจิตใจจะไม่ ว, าว้าเหวจิตใจจะไม่อ้างว้างจิตใจจะไม่เงียบเหงาจิตใจมีหลักเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฝึกหัดเอาไว้นะอีกวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนะคนแก่คนเฒ่าเข้ามาแล้วจิตใจไม่มีหลักมีกฎมีเกณฑ์แล้วจิตใจว้าเหวิอ้างว้างนะพวกเราจะ่ให้เป็นอย่างนั้นพวกเรารด้พบได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วใครพวกเราให้ ฝึกขัดภาวนาเอาไว้เตรียมไว้ในอนาคตไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแะถ้าเราไม่ตายง่ายนะจะต้องเจอนะเหตพวกเราเคยเห็นไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นปู่ย่าตายายของเราเนะ่ยพออายุแก่ขึ้นมาแล้วหมดสภาพออนอนอยู่ในเรือนอย่างนั้นนะเห็นตามแมบแมบอยู่งั้นนะพพวกเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าให้คิดเป็นอย่างนั้นนะต้องคิดวางแผนเอาไว้นะพยายามภาวนาเอาไว้ คนที่มีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วลูกหลานก็เคารพยำเกรงหน้ากาไหว้บูชาเห็นพ่อเห็นแม่พูดอะไรออกไปเขาก็กลัวบาปพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมแต่พวกเราทําตัวไม่ดีพ่อแม่ทําตัวไม่ดีสัมมาเลเทเมากินเหล้าเมา่ยาผลที่สุดลูกเต่าเขาก็ไม่ขาดความเคารพขาดความยำเกรงเพราะนั้นพวกเราต้องพยายามรักษาตัวของเราให้มีศักดิ์ศรีให้มีศีลมีธรรม ให้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีศีลมีธรรมหลวงพ่อว่าจะเป็นที่ยําเกรงของลูกของหลานนะต่อไปในอนาคตเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวไว้ต้องแก้แน่แน่ถ้าวีซ่าไม่มาง่ายเพราะงั้นแต่ถ้าวีวีซ่ามาง่ายก็อย่างว่านนั่นแหละพวกเราก็จะต้องเดินทางต่อไปถ้าเดินทางต่อไปเราก็ได้เตรียมพร้อมนี่เราได้ภาวนาไว้แล้วจิตใจของเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วไปข้างหน้ามันก็ต้องมีความสุข มีความร่มเย็นเป็นสุข เ, เพราะได้เตรียมบุญกุศลไว้แล้วเพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาทั้งสมอย่างนี่ควรจะทำพร้อมๆกันนั่นแหละจำเป็นไหมจะต้องทานใช่ถ้าว่าเราต้องการความสุขมีลาบมียศต่อไปภายภาคหน้าต้องการความสุขเราก็ต้องทำทานเกิดพพหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเราจาเป็นไหมจะต้องรักษาศีล ใช้สินคุ้มครองถ้าคนรักษาสินชีวิตยืนยาวชีวิตจะไม่ตกทุกข์ได้ยากร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอันนี้สงสินคุ้มครองได้ทรัพย์สมบัติมาก็ไม่มีโจรขโมยโพยโจรมาป่นมาจี้มาคดมาโกงเราอันนี้สงสินเก่าคุ้มครองได้ลูกได้เต่ามาส า, ม, ามีพัญญาก็อยู่ในโอวาทนับถือกันเชื่อถือกันพูดอะไรก็เข้าเข้าใจกัน พรา อ, อ น, นิสงสินตัวที่สมคุ้มครองเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ไม่มีใครโกหกตอแหลโคดโกงเราหลอกลวงเราได้เพราะ อ, อ น, นิสงศินพ่อที่สี่คุ้มครองเราข้อที่หเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็มีสติสมบูรณ์ไม่เป็นบ้าใบเสียจิตเพราะ อ, อ น, นิสงไม่ดื่มน้ําเมาคุ้มครองศิลคุ้มครองเราเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะ อันนี้สงทานเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอันนี้สงทานคุ้มคองอันนีสงภาวนาค่จิตใจมีสติมีปัญญาเสียบแหลมคิดอะไรพูดอะไรก็เป็นทีนับถือของคู่คนทั้งหลายอันนี้อันนี้สงสินทานภาวนาเหมือนกับสามขาอย่างอย่างนั้นน่ะมีแต่ความพร่มเย็นเป็นสุขต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าเพราะนั้นเราทำสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นก็จะต้องตามสนองนะ เราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วก็จะตามสนองเน่เพราะนั้นพวกเราควรจะสร้างแต่คุณงามความดีเอาไว้นะ อ, อ, อย่างหลวงพ่อเคยพูดแบบให้น่าคิดว่างั้นเ อ, อบางคนเขาบอกว่าโอ๊ย อ, อย่าไปทานเงินให้พระปัดใจให้พระทานเงินให้พระทำให้พระลุ่มหลงทำให้พระเสียพระไปได้ แต่หลวงพ่อไหวพระองค์ที่จะเสียเนะ่ยถึงจะทานเงินไม่ทานเงินก็เสียอยู่แล้วเพราะมันโง่แต่ถ้าว่าองค์ที่ฉลาดเน่ยถึงจะมีมากมีน้อยท่านก็ฉลาดท่านก็รู้จักใช้เหมือนกับศรัทธทาญาติโยมบางคนน่ยบางคนมีเงินมากก็หลงได้เงินมากก็สมัมมเลเทเมากินเหล้าเมายาสุรานารีอันนั้นมันหลงแต่บางคนได้มากเขาก็ไม่หลงเพราะเหตุอะไรเพราะเขามีปัญญา อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพระสงฆ์องค์เจ้าบางท่านท่านได้มาแล้วท่านก็ไม่หลงไม่มัวเมาอันนี้เป็นสมบัติเป็นของใช้ชั่วคราวมันเอาไปด้วยไม่ได้ล่ะถึงจะมีมากขนาดไหนมันก็ออกไปด้วยไม่ได้เอามาใช้เกิดประโยชน์ในโลกนี่แหละ อ, อ, อันนี้เทว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่ลุ่มไม่หลงแต่มันจําเป็นได้ใช้ไหมใช่จําเป็นได้ใช้ เ, เวลาครูบาอาจารย์มาวัดหลวงพ่อเนี่ย ท่านจะเอาอะไรเติมน้ํามันท่านก็เอาปัจจัยของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่ถวายนั่นแหะเติมน้ามันของท่านมาหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อกเอาจะตุปปัจจัยที่ญาติโยมถวายเนี่ยเติมน้ํามันจากนั้นก็สร้างวัดวาศาสนาอย่างพวกเราเห็นเห็นเนี่สร้างโรงร่ำโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ที่หลวงตาพ า, าธทำศรัทธาญาติโยมจะตุปัจจัยของศรัท ธ, ธาญาติโยมนี่แหละอันนี้ทางว่ามีปัญญาเสอย่างเดียวหลวงพ่อว่าไม่เสียพระ ถ้ามาโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะต้องเสียพระแต่ว่าก่อนที่จะทําก็ต้องเลือกต้องรู้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาซะก่อนอค่อยทําอันนี้คือการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญแปลว่าให้สเปสสปาพุทธเจ้าตําหนิเหมือนกันนะถ้าการเลือกให้าการเลือกให้ก็คือเลือกอะไรไปอยู่ในใจของเราไม่ใช่ว่าเลือกให้หลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลือกให้องค์อื่น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 การทำบุญกับพระที่ปฏิบัติไม่ดีเหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยทำแนั้นหลวงพ่อยังจำได้จะเป็นเนนน้อยเออใช่วะ่ะถ้าวัดพระปฏิบัติไม่ดีเหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยให้ปล้นศาสนาให้สั้นเข้าไปส่งเสริมเอาเงินไปให้พระที่ปฏิบัติไม่ดียิ่งทําศาสนาให้เสื่อมมากอันนี้ก็คือลรบปู่สิ้งทองที่ท่านพูดหลวงพ่อก็จําได้แต่สมัยเป็นเนนมาพิจารณาดูก็เ อ, อมีส่วนแบบนั้นแตะ แต่เขาท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาแล้วก็ท่านเฉลือเผื่อแผ่แจกช่วยญาติโยมโรงพยาบาลอะไรบ้างอย่างหลวงตาทำเยลยหลวงพ่อว่านเนี่ยควรสนับสนุนตรงหลวงตานี่ที่หลวงพ่อพูดเถึงไหมกำแพงของหลวงพ่อนี่หลวงตามหาบัวในท่านให้มา20กว่าล้านเนี่ยเื่อนหลวงตามหาบัวให้มาสระน้ําหลวงตามหาบัวให้มา เออหลวงตาท่านสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ที่ท่านไม่ได้บอกประกาศอะไรไม่ใช่แต่วัดหลวงพ่อแห่งเดียวนะหลายหลาแห่งขนาดในเรือนจําลาดยาวท่านก็นยังบริจาคไปทั้งสามสี่กว่าล้านน่ะเออโรงพยาบาลต่างๆมาเนี่ยท่านได้มาจากไหนก็นดได้มาจากศรัทธาญาติโยมถวายท่านเมื่อถวายท่านแล้วก็เออเอาเกิดประโยชน์ในส่วนไหนท่านก็นแบ่งปันช่วยโรงพยาบาลต่างๆไปเพื่อชุมชนสังคมประเทศชาติ แต่หลวงตามหาบัวท่านพูดน่าคิดนะท่านบางแห่งบางวัดท่างบวกว่าเงินปัจจัยที่เขาถวายสงฆ์นะไม่ควรจะเอาไปสงเคราะห์ให้แก่ทางโลกเขาไม่ควรจะให้สร้างโรงรําโรงเรียนเพราะเป็นเงินของสงฆ์หลวงตามหาบัวบอกว่ า, วาพูดอย่างนั้นไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ถูกในเมื่อเขาให้มาศรัทธาญาติโยมเขาให้มาให้แก่สงฆ์สงฆ์ก็ควรจะคืนให้แก่ประชาชนญาติโยม สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมประเทศชาติมันจึงจะถูกแต่สงมิตรรับอย่างเดียวไม่มีการสงเคฆ้อคนอื่นแสดงว่าสงเห็นแก่ตัวมากไม่สงไม่ควรจะอยู่กับโลกของเขาหลวงตามหาบัวหลวรรงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเขาองค์หลวงตาในเรื่องเนี่ยเพราะว่าเมื่อเขาให้แก่เราเราก็ควรสงเคาฆ์แก่ชุมชนสังคมประเทศชาติโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างอย่างหลงพ่อเนี่ย ก็ช่วยโรงพยาบาลได้หลายแห่งเหมือนกันที่คิดเร็วๆนี่นก่อนเนี่ยเครื่องมือแพทย์เครื่องห้ามเลือดแกโรงพยาบาลสูนอุดรและเกิดเครื่องยิงต้อกระจกตานครพนมแต่ละแห่งก็ล้านกว่าบาทอันนี้ก็คือเงินพี่น้องประชาชนที่ถวายแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หลวงพอ่อต้องการเงินจากพวกเราให้มาช่วยหลวงพ่อไม่ใช่นะอันนี้เป็นการพูดให้ฟังการทําบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้า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 เพราะเหตุไรพบบางทีหลวงพ่อได้ยินในสื่อต่างๆหลวงพ่อก็นึกโมโหอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่ไม่มโมโหมากแบงนั้นเถอะคือเขาบอกว่าพระทำตัวไม่ดีอย่างนั้นพระทำตัวไม่ดีอย่างนี้พระเสียอย่างนั้นพระเสียอย่างนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยากจะถามชมชนสังคมสื่อต่างๆเหมือนกันบอกว่าพระที่ทำชั่วนันได้สืบประวัติดูหรือเปล่ามีใครสืบประวัติดูหรือเปล่ า, า order, ว่าพระองค์ น, นี้บวชมาเมื่ อ, อไหร่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 เอ่มันก็เสียหายต่อพุทธศาสนาเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ไม่ได้ดูถูกเย็ดยำ้ำผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเป็นแนวความคิดของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่จะปกป้อง พ, พุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปส่วนพระสงฆ์องค์พระเจ้าหลวงพ่อก็พูดนะอุปชาอาจารย์อะไรก็ตามก่อนที่จะเอาลูกหลานมาบวชต้องถามไถ่ดูให้ดีว่ากินเหล้าไหมติดเหล้าไหมติดยาป้ายามาติดกาวไหม ไปยังไงนิสัยสมมาเลเทเมามาก่อนไหมแต่ถ้าหากว่านิสัยไม่ดีที่ไม่สมควรที่จะบวชก็ควรจะพักไว้ก่อนไม่ควรจะบวชควรจะฝึกหัดดัดนิสัยเป็นโยมเป็นตาพะขาวมาก่อนจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเสร็จแล้วจึงเอามาบวชเพราะในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีด้พอบวชเข้ามาท่องเอสาหังกไ็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวบวชเอง ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์กคเห็นว่าเออคนบวชมากๆ ก, ก็ดีเห็นใครไปจับบวชหมดไปงั้นแต่พอบวชเข้ามาเขาบวชแต่กายแต่งชุดกายคือมีผ้ากีวรศสีสระลน้นแต่ใจของเขาไม่ได้บวชแต่บวชเข้ามาแล้วทากรรมชั่วต่างๆญาติโยมทั้งหลายเขาก็เห็นโอ้ยพระในพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทํากรรมชั่วถึงขนาดนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเพราะทำในสิ่งที่ไม่ควรทําทีนี้ญาติโยมก็พูดมากๆขึ้น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 เพราะเขาไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติวินัยขึ้นมาพิเภศุใดก็ตามรับคุณลพัพบุดทุตย์ท้ายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องแสดงความจำนงเองต้องขอบวชเองต้องแสดงความจำนงเองท่า่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเองนั่นไม่ให้บวชอันนี้ก็คือเป็นมาในครั้งพระพุทธเจ้าพงเราแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันน่ยมาถึงยุคสุดท้ายภายหลัง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 ก็ไม่น่าจะถึง7จ็ดโมงครึ่งพระสงฆ์ก็จะบินทบาตรอบศาลาเพราะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องข้าวน้ําอะไรที่มาพักในวัดก็พยายามหาจงหาจา น, นให้ตักบาตรให้ทั่วถึงกัน<ม>บินทบาทเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็ขึ้นมาบนศาลาพอบนศาลาเสร็จแล้วก็จัดเอาหงอาหารเสร็จจากนั้นก็ให้ศีลให้พรคณะศรัทธาญาติโยมก็คงจะจบเพียงเท่านั้นแหะนะจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ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 คือหาหลักให้ใจิตใจให้ตั้งหลักในใจิตใจคือภาวนานะพวกเราจะลบเย็นเป็นถุกเป็นนานเท่านานทีเดียวนะการพูดการแสดงทมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอจบตรงเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นสิริมงคลอีกครั้งหนึ่งนะ